ที่นั้นมีโยมเข้าไปนอนอยู่ก่อนคือโยมที่เขา ก็นอนเฉยๆไปอย่างนั้นปกติก็เปรียบเป็นหมด กระสินผ่านดงหลิงมาออกอำเภอสหัสขันธ์เข้า ท่านมีจุดประสงค์อยากให้พระพระยาราชนุกูลได้นิมนต์พระมหาจุ่มฉะนั้นเมื่อเจ้า ท่านจึงได้เตรียมโปรแกรมใหม่จะเอาพระมหาปิ่นไปไว้สุคนครแล้วจะให้เราอยู่ด้วย เพราะผู้ปฏิบัติมีน้อยหายากพบธรรมราชันย์มั่น เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการกราบท่านพระ ในการที่ได้เห็นพวกเราเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะแล้วได้เห็นพระมหาปิ่นผู้ซึ่งเคยปฏิญาณตนไว้ว่าจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ท่านคงไม่ทราบคืนนั้นซึ่งพระเทศการอบรมแล้วๆนานาตอน ในถ้ำกลางหมู่พื้นเป็นอย่างยิ่งโกฏตึกของเราและความเป็นอยู่ ต่างก็มีกิจวัตรและข้อวัดประจำ รุ่งเช้าฉันจึงหันแล้ท่านอาจารย์สิงห์ได้พาคณะ 4 คืนและย้อนกลับทางเดิมที่เดินทางกลับอุดรหรือได้เดินทางต่อไปสกลนครตามที่ตกลงกันไว้กับเจ้าคณนามนต์ตน ที่เหมาะมายไว้ได้ฉะนั้นในปรรษานั้นท่าน พรรษา 2 กรรมสาบ้านหนองลาดตรงกับปีพุทธศักราช 2467 ก่อนเข้าพรรษาเราประเทศ 2 ครั้งครั้ง 1 4 ครั้งที่สองหกคืน 2 6 คืนโดยมีผู้ใหญ่บ้านอ่อนศรีได้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายพระแล้วยกให้แก่เลยไม่ว่าพระต้องการอะไรอาหารพริกแห้งผง พอทําความปืนไม่ตายเมื่อเราลดอาหารเต็มมาเพิ่มความเพียรกายของเราเบา แม่ตื่นขึ้นมาก็ให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนอนหลับตั้งไว้อย่าง ซีวิคของเราฝากไว้ฉะนั้นเราจะประรึกพร้อมเพียรเพื่อ<า> จึงได้เป็นธรรมสาร่วมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ที่เป็นพระไม่ต้อง ชั้นอาหารผ่อนตั้งแต่ 70 คำเข้านี้ลงมาจนถึง 3 คำแล้วขยับขึ้นไปถึง 70 คำแล้วก็ผ่อนลงมาถึง 5 คำไปๆมา 15 คำแล้วก็ฉันแต่อาหารมังสะบริลัทด้วยร่างกายของเราพร้อมอยู่แล้วก็ยิ่งสูบ จึงเป็นเป็นอะไรไปหรือแปลกตาของชาวบ้านใครๆเห็นก็ถามว่าเป็น จริงเข้าใกล้มนุษย์ไม่ได้มันเหม็นสาบ มันไม่สะดวกแก่การพยาบาลกันจึงได้อพยพกัน ท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาซึ่งได้รับนิมนต์จากวัดโพธิสมภรอุดรขณะนั้นคุณยายน้อยมาอยู่ร่วมท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา พรรษา 3 จำพรรษาบ้านนาช้างน้ำ 2468 พรรษานี้เราประเทศเทพรังสีได้จำพรรษาที่ เดิมมันเป็นฝั่งที่ท่านอยู่เสมอพรรษา นายพันสารีมีสิ่งที่น่าสลดใจซังเวชอยู่เรื่องหนึ่งคือพระอาจารย์ทาซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ราว 16 ถึง 17 พรรษานี่แหละเดิมท่านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯเต็มให้สําเร็จพอท่านได้กิตติศัพท์ของท่านพระสิริจันโทจันทร์สารเสิร์ญที่ ในพรรษานั้นท่านพระอาจารย์ทาได้เป็นธรรมศาสตร์ที่ถ้ำผา ได้กระดึบครวนเองเท่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทําเดือดร้อนมากก็คือเมื่อ อาการเลยสงสัยตนว่าซึมไปเลยสงสัยตนว่าเราอวด แต่ก็พออดทนอยู่ไม่ได้พอมาถึง เราประเทศที่ฝรั่งเศสได้เห็นเข้าแล้วทําไมใจ ระยะห่างไกลจากท่านผู้รู้เมื่ออ่าและ ตัวเราประเทศเทพรังสีคิดถึงโยมแม่จึงได้กลับแหลบ้านเพื่อส่งเคารพก็สมประสงค์ 8 ครั้งนี้โยมป้าอาผู้ชายและพี่ชายก็เกิดศรัทธาได้ได้มี ได้สมาคมกับหมู่เพื่อนและอบรมกับครูบาจารย์หลายองค์ด้วยจึงให้ออกจากบ้านเดินทางตามครูบาจารย์ไปส่วนเรากับพี่ เล่าถึงเราตามท่านไปตั้งสำนักที่บ้าน 3 ผงปกติท่าน มักตื่นนอนทําความพินเวลาตี 3 ทุกคืนเวลาท่านตื่นยิ้มไม่คิดไฟครอกแกร่งเราต้องลุกก่อนท่านทุกทีเพื่อกระไปถวายการปฏิบัติทันเรา โรคของเราไม่ถูกกับอากาศฉันได้แต่ไม่มีกําลังปวดเมื่อยรบม ท่านอุตสาหเทศอบรมอยู่อย่างนี้เป็นนิดบรรดาลูกศิษย์ก็มีกําลังใจ พรรษาสีจำสาที่ป่าชาทิศเหนือของอำเภออากาตอำนวยตรงกับปี 2469 ตูนเข้าพรรษาเรา ตําบลสาทางทิศใต้ของอําเภออาการน้ําหน่วยใน ในพรรษานี้ชาวบ้านเกิดฝีดาษผู้คนแตกหนี และเมื่อเกิดฝีดาดแล้วจะต้องออกไปไว้ในป่าดูกระต๊อบให้อยู่คนเดียวเพียงเอา เดชะบุญเขายังนับถือพระกรรมฐานอยู่ถึงแม้ไม่มีคนนอนเฝ้าบ้านเลยสัก มีกี่บิดอยู่และล้าลวงนี้ไปแล้วอย่างแท้ เมื่อไหร่จะพูดด้วยกันเขาบอกว่านู่น 3ๆการไปจะต้องกิโลถูกท่าน ด้วยกระทืญใจเราหรือถึงนิสัยของเราตามความเป็นจริงก็เหลือที่จะเดาถูกท่านว่านิสัยของเราเป็นคนตาด่างหัวดื้อไม่ค่อยจะลงคนขณะที่ท่านอาจารย์สิงห์เทศน์คนนั้นเราได้กำหนดจิตดู ทำไมท่านถึงว่าอย่างนั้นแต่ที่ท่านว่าไม่ พร้อมทั้งตรัวใจของตนไปมันนี่ทําให้ กล้ามาลุ่งรู้ของเราได้...หน้าขายที่น่า ท่านก็เป็นคนเกิดจักวิดามานดา... ท่านก็เป็นคนเกิดจากบิดามารดา impres dz Angie Thomas หjemเมือนหมึนกับเรา ท่านยังสามารถรู้ร transparency เมื่อประรحฐนุษ Bref, Quitchéviful Jeiber Naa, who mankind died before paha <S an> เมื่อทําความแต่นอนไม่ค่อยจะหลับมากเข้าธาตุก็ไม่ค่อยปกติจึงได้เอ็น มันเป็นตัวคล้ายๆกับตัวไหลใหญ่โตดําทมึนเข้ามานั่งทับอกของ ลงนอนตะแคงดูมันก็ยังมาอัมอีกเวลา สติที่ยังเราจะปล่อยให้มันตายรู้จิตนิดเดียวนี่แหละเมื่อไหร่นั่นแหละคือความตายบัดนี้ถ้าจะปล่อยให้มันตาย ก็จะได้จะประยุกต์ส่วนตัวถนัดแล้วคนที่อยู่ภาย ที่ 2 ไม่เห็นตู่ดอกเป็นแต่ก้นดําทมึนทมึนเข้ามาที่หนีเราส่ําเนระว่าไม่ใช่ปีมันเป็นเรื่องของลมตีขึ้นข้าง ถ้าไม่พยายามรับประทานยาแก้ตำรานอนหลับหรือ ได้พยายามสัมผัสอาการของคุณนอนหลับว่าเป็นอย่างไรโดยมากเราไม่รู้ตัวขณะที่ๆตื่นแล้วจึงรู้ว่าต้นนอนหลับคุณ ขณะที่มันปล่อยวางครั้งสุดท้ายนั้นสติที่จิตใจ กดอาเทมชื่นเบิกบานหายจากความง่วงไม่หลับ 4 5 ชั่วโมงถ้าเราประสงค์จะให้มันหลับเรา 5 10 นาทีหรือถ้าๆแล้ว อันหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการให้มันหลับล่ะแต่จะพักกายพักๆก้อยหาที่พักอัน อาการทั้งหมดก็จึงเหมือนกับ 4 ถึง 5 ชั่วโมงก็เหมือนกันความจริงคํา ความคิดอาการของคุณนอนหลับเป็นการของท่านคุ้มสติให้จิตแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วละลมนั้นๆละเอียดลงไปโดยลำดับพร้อมทั้งสติและจิตด้วยจนเขาจะความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมดด้วยอำนาจของการอบรมของท่านขนาดนั้นสติไม่มีงานทําสติจึงหมดไปแม้ลมในร่างกายจะเดินอยู่แต่ก็เป็นของละเอียดที่สุดจนจะเรียกว่ามีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่คือมีแต่ไม่ปรากฏเดินทางจมูกไม่ลมมีอยู่คือมีแต่ไม่ๆให้หวั่นไหว ถ้าลมไม่มีคืออากาศไม่มีนั่น ให้ชํานาญแล้วจึงเข้าเมื่อเข้าแล้วจึงมีๆจะมา ล้วนน่าแร่งอธิษฐานของท่านเมื่อถึงกำหนดแล้วลม ญาณทัศนะมรรควิธีฌานฉะนั้นพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพาน นิรวณ์กามภจรและรูปาภจรที่เป็นฐานของโลกุตตรธรรมหากจะมีคําเอ๊ะตอนนี้ทําไมแกจึงพูดถึงนิโรธ พูดอุตตริมนุษยธรรมอย่างนั้นท่านผู้เข้าถึงสัญญาเวทิยตนิรุธก็ดีถึงมรรคผลนิพพานก็ดีหรือก็ถึงชาสัมมาบัติก็ดีถึงแล้วหรือถึงอยู่เป็นแต่ท่านขณะที่เข้าถึงจริงๆถ้ายัง และคุณผู้ไปที่เรียนรู้และฉลาดผลนิพพานชานสมาบัติกันไปทั้งหมดทั้งบ้านทั้ง แล้วจึงจะอธิบายได้เมื่อมีบัญญัติไปแล้วเข้าใจ แต่ก็ยืนเงียบขายคล้อยยามกันธรรมะที่เห็นด้วยตนเอง พอไปเที่ยวโลกมืดผีบัดนี้คุณนําเข้า กราบเรียนท่านอาจารย์มั่นดีทีขณะ มาไปรวมกันกราบมัสการพระอาจารย์ผู้ใหญ่ในครั้งนี้ถึงแม้พระเนทั้งหมดรวมกันจะ ได้เล่าเรื่องที่เราหัดนอนหลับและไม่หลับให้เพื่อน ท่านก็เทิดว่านั่นไม่ใช่กลัวตายแต่อยากตายหลายหน ได้บอกว่าแย่อยู่ไม่ไหวมาทั้งหมดหมดเลยบอกว่าแย่อยู่ ได้ 3 4 จังหวัดคือสุคนธกรอุดรหนองคายเลยพวกเราก็ได้เที่ยวมามากแล้วเราก็ได้เที่ยวมามากแล้วต่อไปนี้พวกเราจะไปทางหมด ก็เตรียมออกเดินทางเป็นกลุ่มๆหมู่ๆส่วนเราพระเทศที่ แล้วคงจายออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้มีวัดพระธรรมยุทธแทบ พรรษา 5 จำพรรษาอยู่ที่บ้านนาช้างน้ําตรงกับปีพุทธศักราช 2470 พรรษานี้เราประเทศเทพรังสิได้วุฒิ เราได้พาพี่ชายของเราไปทําความเที่ยง 6 จํา ถ้ำพระนาผากอกพุทธศักราช 2471 เราได้พาเอาโยม 11 ปีแล้วเรายัง นบ่เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้อุปการะท่านในด้านธรรมะและท่านก็ได้ทําภาวนากรรมฐานอย่างสุดความสามารถของท่านได้ผลอย่างยิ่งจน แต่เมื่อถึงคันเวลาเข้าแล้วคุณเรามันก็มักมากท่าน พอเราได้ตามให้สติบ่อยๆในปีนั้นข้างหน้าของท่านกลาง ต้นข้าวแดงไปหมดมีข้าวที่เขียวงามพิดหู ล่วงขึ้นวันนั้นเองท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยการ 2471 อายุ 77 ปีบูชา 11 ปี คนหยุมพวกของเราจะไปอยู่ด้วยเราอยู่คน จึงรีบเร่งปรารภความพินอย่างแรงกล้าตั้งสติกำหนด จึงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความเข้าฉะนั้นจึงไม่ กายกับจิตมันยังเกี่ยวเนื่องกันเราประเทศที่ ทำความเพียรเดินจกลมจนเท้าทรุเลือดแต่เราก็ ปัมติงสัพพาลีคำว่าแตกหรือทะลุใช้ศัพท์เดียวกันนั่นเองและที่ว่าพระอาพาธหรือเป็นไข้เกิดฤดูน้ำดีกำเริบทางกระทบสิ่งภายนอกและเกิด ปัญญาไม่ค่อยดีจึงทําให้เป็นไข้ออก ในแถมนี้แถมนี้ยังเหลือแต่พระ อันเป็นบ้านเกิดของเราแกเที่ยวคุยได้อารวะพระที่ว่าแกเป็นผู้เก่งทางก็หลบหน้าดูสิพระกรรมฐานทั้งหลายอยู่ไม่ได้หนี ทิ้งพูดแก่กว่าว่าถูกแต่แก่คนเดียว แก่ทูลทําอย่างนี้พอดีวันนั้นร่ําไปจนเป็น แต่ประเทศที่ฝรั่งเศสรวมมาร่วมด้วยเหมือนกันแต่เขาไม่ได้บอกให้แก่รู้พอดีเราเดินผ่านบ้านมาไม่เห็นมีคนเขาไปรอคอยเราอยู่ที่มดหมดแล้วซึ่งเป็นปกติจาก เขาแก่เท็จจบเรารีบประชุมสงฆ์ทั้งหมดแล้วปรารภเรื่องที่แก่พูดว่าเอาอรหังขึ้นก่อนนั้นผิดเรา ติงหวัยอราหตโตถึงตอนนี้แกชักกระดูกอย่างแรงทีเดียวว่า มันก็กินหญ้าก้มดูดินอยู่ตลอดวันอย่างค่ำมันเป็นอรหันหมดด้วยกันละสิหลวงตานี้อวด เวลานั้นตวนค่ําแล้วพระเขาจะปวารณาแกเข้าไป พอดีกินวันนั้นเราไม่ได้กลับถ้ําพราแต่ แกนอนไม่หลับหมดคืนเช้ามืดแกก็ไปนวนไปหาเจ้าคณนาอำเภอเขาแกไปขอศึกคืนเดียวสิงห์ขจร เป็นตั้งหลายวันจึงค่อยมาให้คนเห็น นำเรื่องไร้สาระมาเล่าสู่คุณฟังแล้วคืน เอาชื่อของ 2 ผัวเมียใส่ด้วยเพราะผัวเราประเทศที่ <ม. S 1> เลื่อถุงนิมนต์ไปทําบุญด้วยทั้งที่เราไม่เคยหน้าตาแก่มาก่อน 5 พันศา 7 พันศา 2 พันศาแก่บอกว่าเวลานี้ผมเหมือนคนตายแล้ว 4 ผล 4 นิพพาน 1 ถ้ายังปรารถนาอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ตาย ตรงบ่งดูเสร็จแล้วก็ลงไปล่างมีพระมาอยู่เต็ม 7 วันจึงจะโรคของเก่าเวลาเช่นอาจารย์มั่นอาจารย์เสา ไม่ต้องอะไรนักน่ะแต่ลูกสาวปฏิบัติไม่ดีมากอาจารย์ให้ แต่ซึ่งแต่ก่อนคือเมื่อจิตเป็นอาจารย์ ตุ๊กแก่เมื่อก่อนมาร้องว่าตุ๊กแก่ตุ๊กแก่คืนนี้มันบอกว่า วันหลังมีคนมาบอกว่านั้นมีคนมาบอกว่าขอให้อาจารย์รีบไปเร็วที่สุดหลวง แล้วน้อยฝั่งว่าผมได้เล่าเรื่องต่างๆที่ผมภาวนาเป็นให้ลูกสาวฟังดังผมได้เล่าถวายอาจารย์ เราได้บอกว่าไม่เป็นการ